ใครยังค้างงานอะไรอยู่นั่งนึกแต่ ง, งานอะอะจะปรงนู่นจะปรุงนี้อยู่นั่นอะือเอาเมนูไหน <laughs> เราเห็นความดื้อของจิตไหมจิตของเราเนี่ยมันดื้อแต่มันไม่ได้ดื้อโดยลมพังของมันเองนะมันมีสิ่งพาดื้อ สิ่งพาดื้อก็คือกิเลสนะเวลาเรานั่งเราต้องการให้เขาสงบต้องการให้เขาอยู่เราเห็นไหมเห็นมันดิ้นไหมเราเห็นจิตมันดิ้นไหมเราต้องการให้เขาสงบห้านาทีสิบนาทีเห็นมันดิ้นไหมมันดิ้นเพราะมันดื้อมันมีสิ่งพาดื้ออยู่ในนั้นจิตที่ยังไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมไม่เคยหัดไม่เคยดัดอ ไม่เคยแปลงอะไรกันเลยไม่เคยฝ่าฝืนไม่เคยทุกไม่เคยตีไม่เคยทรมานมันเนี่ยดื้อจิตมันดื้อมันดื้อมันวิ่งไปตามกระแสของโทษสิ่งพาคิดไปนั่นแหละะคือสิ่งที่เป็นโทษอํานาจของความอยากของกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราของท่านนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่มันพาดื้อมันพาดื้อ โดยปกติมันอิสระจิตของใครของใครของใครนะ่มันจะพานึกพาคิดแบบอิสระอิสระโดยธรรมอิสระโดยกิเลสแต่ถ้ า, าเรายังไม่เคยฝึกฝนอบรมเลยเนี่ยมันจะอิสระโดยกิเลสมันจะพานึกพาคิดไปกับสิ่งที่พาย้อนมาแล้วมันทำให้ตัวมันเองเศร้าหมอง มันพานึกพาคิดไปแล้วก็ย้อนกลับมาให้โทษตัวมันเองมันเป็นเหตุให้เศร้าหมองที่ท่านเรียวกว่ากิเลสมันเศร้าหมองได้ยังไงความความกโกรธเนี่ยความกโกรธมันเกิดขึ้นจากที่มันพาดิ้นไปแล้วก็ไปมีสิ่งขัดข้องขัดขวางไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์มันก็โกรธมันก็มีขัดใจกันที่เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะปฏิฆ ะ, ข, ะขัดใจความปฏิฆะ มันเป็นเหตุให้ซักให้ใจเศร้าหมองจากขัดใจมาก็เป็นโกรธโกรธจนตาดำตาแดงโกรธจนแสดงผิวพรรณกิริยาให้ปรากฏทางกายอันนี้อันนี้คือคือกิริยาที่มันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้สภาพต่างๆเหล่านี้มันเป็นสภาพที่ทําให้ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมอง ราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นสภาพที่ทําให้ใจเศร้าหมองทั้งหมดนี้หลวงพ่ทีเจ้าท่านทรงเรียกว่ากิเลสกิเลสแปลตามตัวหนังสือว่าสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองเราพูดทีนี้ถ้าเราไม่มองดูลักษณะความจริงเราก็จะไม่เห็นเนื้อแท้ของมันเราจะเห็นของของของของขาดของเดาของปลอมถ้าเรามองไปตามตัวหนังสือ เราเห็นว่าเป็นของคาดของขอ ง, ของเดาของปลอมไม่เห็นของจริงถ้าเรามองมาย้อนมาที่ใจเราเนี่ยเราจะเห็นของจริงแม้แต่มันขัดใจในขณะที่เราต้องการให้มันสงบเนี่ยมันรู้สึกขัดใจมากมันขัดใจจิตใจมันดิ้นช้ายดิ้นขวาดิ้นโดยเหตุที่เราไม่ปล่อยมันก็นดิ้นเอาสติไปจออเอาสติไปกดหัวมันไว เอาสติไปบังคับมันไว้เอาสติไปทุบมันไว้สำเภาชัญญะไปทุบมันไว้ไปขังมันไว้ไปตีมันไว้เอาขันติความอดความทนมามัดมันไว้เอาวิรยะความกําหนดจดจออย่างต่อเนื่องนมามัดมันเอาไว้เนหลังจากเราหลังจากมันถูกเรามัดแล้วมันก็จะดิ้นดิ้นดิ้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับหมามันดิ้นอยู่ในกรงใครเคยเลี้ยงหมาเราจะเห็นหมามันดิ้นอยู่ในกรงเป็นไงใจมันดิ้นเป็นแล้ ถ้เป็นสัตว์ป่ามันดิ้นนะเป็นหนูเงี้ยสมมติเราจับหนูมันดิ้นโอยมันดิ้นชนจนจมูกมันออกเลือดเลือดออกที่จมูกเลยหมูหนูดิ้นดิ้นชนดิ้นนู่นดิ้นนีดินพวกสัตว์ที่มันกลัวคนพอคนจับได้แล้วไปขังมันดิ้นดิ้นดิจิตที่ถูกเรามัดด้วยทำมันก็ดิ้นอย่างนั้นมันดิ้นดิ้นจนหมดแรง ยีนยน่จนหมดแรงแต่ธรรมะเป็นคู่ปราบเป็นคู่ปรามเป็นคู่ปรา บ, ราบถึงจะดินขนาดไหนก็ตามสามารถเอาธรรมะไปปราบไปฝึกไปปรา บ, ปปราบถ้าเป็นช้างหรือมา้าฝึกจนได้ฝึกจนหายพยศชา้างก็จับได้ใ ห, หม่ๆก็จะปล่อยมันดิน้นบางที เ, าเอาช้างตัวคู่ ใหญ่กว่าเนี่ยแหละไปทุบไปตีไปทรมานมันจนอยู่จนกาลังมันอ่อนพอกําลังมันเริ่มอ่อนมันก็ยอมพอกําลังมันเริ่มอ่อนมันก็ยอมมันดื้อเขาก็ฟาดมานันอีกเอาช้างตัวที่ใหญ่กว่าฟาดเข้าไปอีกนี่เขาเล่าให้ฟังนี่น้อเข้าไปต่อช้างเขาจะเขาจะมีช้างหัวโขลกหัวหน้าโขลงเนี่ยพอไปจับได้แหละับเอาอันนี้แหละมาทรมานมาจับหลังจากถูกบวชก็แล้วเนี่ยถูกบวง วิ่งไปดิ้นไปก็ถูกเชือกรัดตีเอาไว้จากนั้นแล้วก็ช้างใหญ่ไปประกบตีทั้งตีทั้งทํงทาสารพัดอย่างจนมันอยู่จนมันกลัวแล้วมันอยู่จากนั้นแล้วเขาก็เริ่มเอ า, เอามาฝึกมหันตฝึกหันฝึกหัดไปฝึกหันมาแบบพอชินพอชินชินกับงานชินกับพิธีการฝึกกล่าวช้างตัวนั้นมามาใช้สอยได้นะเป็นเครื่อง เป็นเครื่องทรงของพระราชาได้ช้างน่ะเป็นเครื่องทรงช้างเป็นเป็นเครื่องทรงไปไปศึกไปรบทับจ็บศึกได้ไนั่งให้ก็จ้างนั่งเนมะื่อสมัยทุกวันเราไปเห็นช้างเขาจ้างนั่งนะพวกขลังเขาชอบช้างเอาไปฝึกเอาไปหาเอา จูงช้างไปหากินข้างๆถนนก็มีอย่างสมัยทุกวันอย่างที่เราเห็นเขาเอาไฟแดงๆใส่ไปที่ขนไอหางของมันน่ยเหมือนกับหางรถแดงๆเพื่อเพื่อเพื่อให้รถมันเห็นไม่รถมัน ช, ชนช้างหากินข้างถนนเขาว่าคนไปหากินกับชา้างเขาว่ามานขลังอเอาเหรียญไปขายเอานุ่นไปขายเอานี่ไปขาย เอาะไรฝึกตัวขายเขาได้หมดเนี่ยนี่คือช้างเขาฝึกกันได้ใช้หมาก็เช่นเดียวกันของป่าที่เขาจับได้เขาฝึกเรียนใช้ได้ควายอย่างเงี้ยเขาฝึกจนเข้าแอบเข้าไถได้เข้าเวียนได้เข้าแอบเข้าไถได้เข้าเวียนเข้าคราดนาเข้าอะไรได้ขี่ได้นั่งได้เล่นได้สบายหลังจากฝึกได้แล้วควายวัวเนี่ยฝึกได้ใช้งานได้ อาศัยว่าคนฉลาดกว่าเก่งกว่าเนื้อกว่าสามารถฝึกได้ใช้ได้ธรรมะเก่งกว่าเนื้อกว่ากิเลสตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทำย่อมชนะกิเลสถ้ามีการต่อสู้กันทีไหนทีไรเมื่อไรแล้วทำต้องชนะกิเลสคาว่าชนะกิเลสไม่ใช่ชนะในที่เดียวนั่งที่เดียวนะหมายว่าต่อสู้ไปเรื่อยๆก็เมื่ออยาว เ, เราทรมานช้านั่นแหละทรมานวันนี้ไม่อยู่ต้องทรมานวันพรุ่งนี้ วันพนี้ไม่อยู่ทรมานไปเรื่อยๆทรมานจนอยู่แล้วก็ฝึกจนใช้นานได้ฝึกหัดได้อะไรได้เดี๋ยวนี้ก็ฝึกให้เต้นรำก็ได้ช้างฝึกเล่ น, นฟุตบอลฝึกลรำฝึกเล่นกายกรรมต่างๆให้ดูได้ช้างโดยเฉพาะจิตของเราถ้าเอาธรรมะไปฝึกจากจิตที่มันเคยดื้อไปตามกําลังของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตมาดั้งเดิมนั่น มัน ก, ก็ค่อยเริ่มค่อยเริ่มเริ่มหายพยศนะคำว่าเริ่มหายพยศก็คือมันอยู่มันอยู่หมัดของสิ่งของธรรมมันอยู่หมัดของสติของสัมปชัญญะมันอยู่หมัดของฮิริโอตปัตมันอยู่หมัดของธรรมนั่นแหล ะ, ะมันอยู่หมัดของปัญญาเพราะกิเลสมันพาหลอกกิเลสทั้งหลายทั้ปวงพาหลอกเราฟังเทศน์ลุงตาเมื่อกี้เราจับได้ไหมคือสัญญามันพาหลอก สัญญาหลอกให้เราไม่เห็นของจริงไม่เห็นเรื่องจริงคำว่าจริงคำว่าจริงจะไม่เข้าถึงใจมันเจอแต่ของปลอมมีแต่ของปลอมเข้าไปสู่จิตใจมันปลอมคือมันหลอกมันหลอกให้คาดเป็นอย่างนั้นหลอกให้เดาให้เป็นอย่างนั้นเดาให้เป็นอย่างนี้คาดให้เป็นอย่างนั้นค า, าดให้เป็นอย่างนี้นสัญญาก็เกิดที่จิตพอมันสร้างขึ้นมาแล้วมันก็หลอกจิต ตั้งที่มันเกิดที่จิตมันก็หลอกจิตเองได้มันเกิดที่จิตมันก็หลอกจิตเองได้พุทธเจ้าท่านทรงเอาสัญญานี่แหละมาใช้ในเมื่อในเมื่อมันหลอกได้พุทธเจ้าท่านเอาวิธีการที่เป็นสัญญามาหลอกเช่นเดียวกันเช่นอย่างท่านสอนเรื่องอสุภะเงี้ยมันสอนให้เห็นว่ากิเลสมันมองให้เราเห็นผิดว่าร่างกายเป็นสุภะเป็นสวยเป็นงาม เป็นสว น, นงามพอะดูไปแล้วเกิดกำหนัดเกิดรักใคร่เกิดยินดีเกิดพอใจ เ, อเกิดหึงหวงเกิดใจแงหาเกิดคิดการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใดมาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความทุกข์ความทุกข์ที่มันตามมาเพราะพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เอาสัญญามงานกันไปหลอกไปหลอกไปหลอกสัญญากกเลนนะ่ะเกเรนมันหลอกให้เห็นว่าเป็นสุภาษวยงาม พระพุทธเจ้าท่าทรงให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะอาสุภะโดยที่แท้จริงมันไม่สวยงามมันมันไม่สวยงามท่านจึงให้พิจารณาเป็นสุภะที่ เ, เรียกว่าอาสุภะสัญญาคือหมายว่าไม่งามกิเลสมันพาหมายว่างามแต่ธรรมะให้หมายว่าไม่งามอาสุภะอาสุภะแปลว่าไม่งามสุภะแปลว่างาม กิเลสมันเห็นว่ามันเห็นว่างามมันเห็นว่าสุขมันเห็นว่าเที่ยงมันเห็นว่ามันพาเห็นว่าอัตตากิเลสมันพาว่านะมันเห็นว่าสุขออโดยที่แท้จริงร่างกายขันหานี่คือกองทุกข์แต่กิเลสว่ามันว่ามันว่ากองสุขกองสุขเพราะฉะนั้นเราก็หลงเพลินยึดเกาะอยู่กับขันหานี่แหละที่เป็นรูปเป็นนามนี่แหละ มันาพาหลงยึดหลงเพลินว่าว่าเป็นของให้ความสุขแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านว่ากองทุกข์ก้อนทุกข์ขันธ์ห้านคือกองทุกข์คือก้อนทุกข์แต่พวกเราเห็นว่าเป็นกองสุขกิเลสมันเห็นใ ห, ให้เห็นว่าเป็นเป็นกองสุขเป็นความสุขพระพุทธเจ้าท่านให้มองเห็นเปลี่ยนเป็นทุกข์ทุกขสกัญย์ยาให้หมายว่าเป็นทุกข์ให้หมายว่าไม่เทียง อนิจจสัญญาให้หมายว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนาตตสัญญาพระพุทธเจ้าให้เอาธรรมะมาแก้กันหนึ่งสุภาษท่านให้เอาสุภาษมาแก่ตั้งใจมีสติมีสัมปชัญญะดีๆให้หมองให้เห็นว่าไม่งามไม่งามยังไงดูมาที่ดูมาที่กลิ่นดูมาที่กลิ่น ดูมาที่กลิ่นของคนมีกลิ่นตรงไหนบ้างเป็นที่รักน่ารักน่าชอบใจบ้างดูมาแต่ละแต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่เห็นมีที่ไหนดีแม้แต่ในปากขอ ง, ของตัวเองอแม้แต่ในจมูกของตัวเองในหูที่ตาที่ทวารหนักที่ทวารเบาเป็นของงามไหมกลิ่นมันไม่งาม กลิ่นมันไม่งามกลิ่นมันไม่หอมถ้าหอมก็ว่างามแต่ถ้าไม่หอมก็คือปฏิกูลคือโสโครกไม่งามนี่คือกลิ่นอสุภะโดยที่แท้จริงกลิ่นต่างๆเหล่านี้มันมีที่กายเพราะกายนี้เป็นอสุภะเป็นของไม่งามเรามาดูร่างกายตามที่มันอับมันเหม็นนะเงื่อแตกเนี่ยเงื่อไหลใครย่อยมาเนี่เราไม่ได้เช็ดเราไม่ได้ล้างเราไม่ได้อาบน้ําซัก ชั่วโมงหนึ่งเอ้ายังมากชั่วโมงหนึ่งมาอาบมาชื้นหนึ่เหม็นขึ้นมาทันทีใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเงื้อแตกใส่เสื้อผ้าเอาเสื้อผ้านั้นไปหมักหมัดไปหมกหมกแม้แต่เอาไปตากแดดแห้งแลว้วก็ตามมาดมดูแลเหม็นเหม็นสาบเหม็นสาบก็คือเหม็นกลิ่นคนนี่แหละนี่คือกลิ่นที่แท้จริงของคนพุทธเจ้าท่านพูดไปไม่ใช่ท่าน ท่านให้ว่าเป็นการหักล้างกันเฉยๆเนี่ยท่านมองไม่เห็นความจริงนี่เราเห็นว่าเป็นสุภาพสวยงามเหลือกินจนเป็นเหตุติดใจกำนัดยินดีพอใจโอ้จนโลกนี้ตายก็ช่างมันขอให้ได้ตามชอบใจแต่เรามองไม่เห็นความจริงความจริงท่านสอนให้ให้ให้ให้ให้เข้าใจทราบว่าเป็นอสุภคือไม่งามก็ดูไม่หละ นอกจากไม่ไม่งามแล้วก็เป็นก้องก้องก้อนทุกเป็นกองทุกดูไปตั้งแต่ตัวเราไปหาตัวเขาเรามีความทุกข์ยังไงทุกหนาวทุกร้อนทุกหิวทุกกระหายทุกเจ็บทุกปวดนะทุกเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่เรานั่งภาวนานาๆเราปวดไหมนะเราปวดหลังปวดเอวไหมปวดเส้นปวดเอ็นไหมปวดหัวเข่าปวดฝ่าเท้าปวดปลายเท้าปวดไหล ปวดเส้นปวดเอ็นนี่แหละนี่ยปวดไหมร่างกายเจ็บใครได้ป่วยร่างกายต้องเจ็บต้องปวดแต่เราหมายว่ามันเป็นสุขแท้จริงมันเป็นทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นกองทุกข์มันเป็นตัวทุกข์แต่เราสําคัญว่าเป็นสุขเป็นสุขพระพุทธเจ้าเลยท่านเลยหมองเห็นความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์ก้อนทุกข์กองทุกข์ท่านก็เลยให้สร้างสัญญาเป็นทุกขังทุกขังทุกข์สัญญา น, นี่จะสัญญาไม่เที่ยงแปรปรวนมันไม่เที่ยงจากน่ายินดีผิวพรรณผ่องเต็มตึงอ้วกขาวสารพัดือวนแต่ล่อให้เกิดความกำหนัดเกิดความยินดีแต่ทั้งให้พิจารณาว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปกำลังวังชาเดินได้อะไรได้ทำนู้นได้ทำนี้ได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจากผอมกระอ้วนจากอ้วนแล้วก็ผอม จากมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจากไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงภาวะมันก็ขึ้นขึ้นลงๆอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้เรียกว่าอนิจจังท่านให้เจริญอนิจจสัญญานนในเอาสัญญามาใช้หมายว่าไม่เที่ยงเรายังมองไม่เห็นตามภาวะของความเป็นธรรมด้วยญาณทัศน์แต่เราหมายว่ามันไม่เที่ยงหมายจนเกิดปัญญา จนสติกล้าปัญญาแข็งจนเป็นเหตุให้เกิดญาณทัศนะขึ้นมาทำให้เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเกิดเป็นปัญญายาขึ้นมาทำให้เกิดญาณทัศนะขึ้นมารู้เห็นเข้าใจแจม่มแจ้งชัดเจนยอมรับเต็มที่ร้อยเปอรเ็นนี่ทั้งกลยหมายตัว น, นี้แหละมันเป็นข้อปฏิบัตินะอันนี้จะสัญญาอนัตะสัญญาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะ โดยเหตุที่เราบังคับบัญชาไม่ได้ท่านจริงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเป็นตัวเป็นตนเราต้องบังคับบัญชาได้โดยเหตุที่ไม่ใช่ตัวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจึงบังคับบัญชาไม่ได้เพราะเหตุที่บังคับบัญชาไม่ได้ท่านจริงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างกายนี้ไม่ให้เจ็บเราบังคับได้ไหมไม่เจ็บไม่แก่บังคับได้ไหมไม่ให้ตายบังคับได้ไหมไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยบังคับได้ไหม หลังจากสังขารมันเกาะกลุ่มกันแล้วเนี่ยมันก็ก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวตามระบบระเบียบตามระบอบของสังขารเราจะเห็นว่าสังขารพ่อกับสังขารแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เป็นปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิจิตเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นปฏิสนธิรูปอยู่ในท้องแม่อันนั้นคือสังขารไปประกอบกัน บรรดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกเมื่อประกอบกันแล้วจากหนึ่งเมื่อประกอบเป็นสองเป็นสามเป็นสี่หรือเป็นสิบหรือเป็นร้อเป็นพันแล้วแต่หลังจากเขาไปประจวบกันแล้วประกอบกันแล้วเนี่ยมันจะทํางานไปตามภาวะของมันมันจะไม่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของมันตามระบบระเบียบระบบของมันเราดูง่ายๆเหมือนสังขารพ่อกับสังขารแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เกิดเป็นทารกขึ้นมาอยู่ในครรภ์ ก็พวกเราเหมือนกันแหละสายสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันเจริญเติบโตในท้องแม่เนี่ยคือสังขารประกอบกันแล้วมันก็จะเจริญขึ้นมาตามระบบระเบียบและระบอบของมันบทระเบียบของการอุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์มันก็ต้องพัฒนาไปตามกระแสเส้นสายของความเป็นมนุษย์ตามเชื้อชาติตามเผ่าพันธุนะ์สัตว์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนี่คือสังขารที่มันไปประกอบกัน สังขารเมื่อประกอบกันแล้วไม่เคยหยุดนิ่งตราบใดที่มีสังขารตราบนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เคยคงที่ไม่เคยไม่เคยคงตัวเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะเห็นชารกในในในท้องแม่จะโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยเจดวันเจ็ดสัปดาห์สองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแปดเก้าเดือนเต็มที่เต็มที่ นะก็ออกมาออกมาสู่โลกภายนอกแต่อาศัยเลือดเนื้อของแม่ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นอาศัยเลือดของพ่อกับเลือดของแม่ผสมกันเสร็จแล้วจากนั้นก็อาศัยเลือดแม่ทั้งหมดเลือดของแม่ก็ได้ไปจากข้าวปลาอาหารที่เราใส่ลงไปเลือดภายในเลือดทั้งหมดนะมีธาตุดินธาตุนะ้ําธาตุลมธาตุไฟนะแต่รูปธรรมนี้จะต้องประกอบไปด้วยนามธรรม ท, ที่ท้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ มีปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปจับจองปฏิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้ก็พอดีพอมเหมาะกับกรรมที่เราทําได้อกรรมของวิญญาณดวงนั้นสมควรจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็มาอุบัติในท้องมนุษย์อสมควรจะได้อัตภาพเป็นควายเป็นบัวเป็นช้างเป็นมา้าเป็นงูเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไปอุบัติในท้องของสัตว์ต่างๆเหล่านั้น ตามคุณสมบัติของวิญญาณแต่ละดวงแต่ละดวงเพราะฉะนั้นวิญญาณที่ปไป อ, อุบัติเกิดกับสัตว์แต่ละชนิดแต่ละอย่างแม้แต่กับคนีก็จะเป็นวิญญาณที่มีคุณลักษณะมีคุณภาพแตกต่างกันแตกต่างกันไปตามอำนาจของกรรมควรจะได้รูปพันธสันานลักษณะขนาดไหนดีขนาดไหน ที่ร้ายขนาดไหนก็จะได้ไปตามนั้นนี่คือกรรมเข้าไปสวมแล้วก็สังขารต่างๆเหล่านี้เจริญได้ด้วยอานาจของกรรมเจริญมาเลยเจริญมาเลยเจริญมาเลยเจริญมาเลยอยู่ในท้องแม่ออกจากท้องแม่มาตัดสายรกสายรบคือสายน้ําเลี้ยงสายอาหารไปหล่อเลี้ยงดึงดูดมาจากแม่นั่นแหละมาเลี้ยงตัวเองตลอดนี่คือท่าภาวะของความเป็นอนัตตาและเรามองไปในท้องแม่ เราไม่ได้เอาอะไรแม้แต่เลือดสักหยดเดียวไปเกิดในท้องแม่ไม่มีเราที่เราเราที่เรายึดถือว่าเป็นเราเราอยู่ทุกอยู่ทุกวันแม้แต่เลือดหยดเดียวก็ไม่มีที่จะไปเกิดในท้องแม่เลือดของพ่อกับของแม่เท่านั้นเองประกอบกันแล้วก็พ่อแม่ของเราก็เช่นเดียวกันท่านก็ได้มาจากพ่อแม่ของท่านพ่อของพ่อได้มาจากพ่อแม่ของท่านปู่ย่าตายายก็ได้มาจากพ่อจากแม่ของท่านเป็นสายเลือดของมนุษย์ของเผ่าพันธ์ เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เผ่าพันธุ์ของสัตว์ก็จะมีการเจริญพัฒนาทาวารตามระบบระเบียบระบบนี่คือสังขารสังขารมีการประกอบกันแล้วไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้ามีการจำระขัดเกลาไปจนถึงที่สุดท่านไม่เรียกสังขารคือสังขารมันหมดเข้าไปปรุงแต่งแล้วสังขารรูปสังขารนามเนี่ยมันหมดจึงปรุงแต่งแล้วสังขารที่เป็นรูปมันก็แตกสลายไป สังขารที่เป็นนามที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามนี่ก็นี่ก็แตกสลายไปผู้รู้ผู้นั้นเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องที่ท่าเรียกท่าเรียกอีกคำหนึ่งว่าวิสังขารวิสังขารไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องนี่คือคำว่าสังขารเราดูไปให้เกิดความเห็นว่านี่แหละคืออนัตตาอนัตตา ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนบังคับอะไรบัญชาอะไรไม่ได้สักอย่างเราเอาผู้รู้ของเราเอาจิตของเราไปบังคับบัญชานี่บังคับบัญชาไม่ได้รูปธรรมที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็เหมือนอย่างที่บางคนน่ะเขาก็ไม่ต้องการที่จะให้มีทารกมีอะไรในท้องแต่พอมันไปเข้าระบบระเบียบแล้ว สังขารมันไปประกอบกันแล้วมันก็เป็นมาตามภาวะความมีความเป็นของมันเราเอาใจของเราไปคิดว่าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีเราต้องการอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะความอยากตัวนี้มันเอาไปบังคับบัญชาอะไรอย่างอื่นไม่ได้มันมีแต่เกณฑ์ให้ถูกใจมันกิเลสมันเป็นไปตามความอยากเอาไปบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้อย่งกืม แต่ว่าด้วยความกิเลสของมันที่มันเคยมีอยู่ในหัวใจของคนขอมสัตว์เนี่ยมันก็บีบบังคับหัวใจให้ดิ้นให้หล่นเป็นไปตามใจของมันมีความอยากที่มีอยู่ภายในจิตของเรามีวิธีปฏิบัติเมื่อกี้พูดถึงว่าอาสุภะท่านเรามีความกำนังยินดีพอใจในสุภะพุทธเจ้าท่านก็สอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นของเที่ยงท่านให้มองเห็นว่า ใ ห, ให้เป็นเห็นเป็นของไม่เที่ยงอานิจจสัญญาอนาตตะสัญญาอานัตตสัญญาอสุภาษสัญญาอานิจจสัญญาสัปปโลเก อ, อนาพิระตะสัญญานท่านให้มองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เป็นที่เจริญหูเจริญตาไม่เป็นที่ไม่เป็นสิ่งหน้าเพลิดเพลินจเจริญไปในโลก เพราะอะไรโลกนี้นคือโลกของกองทุกเรายิ่งพัฒนาไปในโลกมากเท่าไรยืดยาวไปเท่าไรก็คือพัฒนาไปในกองทุกบนกองทุกเนี่ยพุทธเจ้าท่านเอาหลักความจริงมาสอนเท้งนั้นแหละถ้าเราพิจารณาไปตามท่านแล้วเราจะก็จะสามารถเข้าถึงหลักความเป็นจริงได้ไม่ถูกสัญญาที่เป็นฝ่ายกิเลมหลอกเราทายเดียวเราสามารถเอาสัญญาที่เป็นธรรมไปหลอกกิเลมได้ นี่เป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ชาระขัดเกลาวเพื่อไปดัดอไปดัดไปขัดไปเกลาไปฉะไปล้างพิษพิษภัยของกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในจิตพิษภัยที่มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะการปฏิบตัติเราตั้งใจภาวนาให้ใจสงบพวกเราก็บริกรักพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ต้องมีสติคํากับทุกระยะไม่ให้เผลอไม่ให้ปล่อย ไม่ปล่อยสติไม่เผลอไม่ปล่อยคำว่าพุโทโธพุธโทโธไม่เผลอสติท่านให้เอาสติเพราะสตินี้เป็นสติธรรมซึ่งมีอุปการะในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมอย่างไม่มีอย่างอื่นเทียบเท่าสติเนี่ยเป็นตัวอุปการะธรรมอย่างสูงสุดตั้งแต่ธรรมะต่ำๆพื้นๆไปจนถึงธรรมะที่สูงที่สุดไม่แต่เราต้องการให้สงบ จิตมันก็สงบยากเราก็ต้องบังคับกันก็เมื่อเราฝึกศาสตร์กันแหละฝึกจนได้เอามาใช้สอยได้จิตของเราที่ดือ้อเราก็ฝึกจนใช้ได้เอามาใช้ได้มาสอยได้เอามาใช้สอยได้ต้องการให้ใจสงบใจมันไม่สงบก็เพราะว่ากิเลสมันดึงไปมันลากไป มันดึงจิตไปเพราะจิตนั้นมันมีความหิวหิวอยู่ทุกระยะทุกเวลาจิตมันหิวกิเลสพาหิวความอยากนั่นแหละคือความหิวความอยากก็คือตัณหาภายในจิตนั้นมันมาตัณหาแปลว่าความทะเยอทยานของจิตจิตมันดิ้นจิตมันหิวมันไม่ได้หิวข้าวหิวน้าหิวอะไรเหมือนเหมือนอย่างปากเราอะมันหิวอารมณ์จิตมันหิวอารมณ์ คำวาอารมณ์ก็คือส um> ิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องอะไรมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรสิ่งนั้นแหละที่เรียกว่าอารมณ์จิตมันหิวอารมณ์ก็ดิ้นไปความอยากคือกิเลสภายในจิตมันพาดิ้นไปดิ้นไปโน้นดิ้นไปนี้ดิ้นไปอย่างหนึ่งที่จะเรียกว่ากามฉันทะพอใจเกี่ยวกับเรื่องกามดิ้นไปอีกเรื่องหนึ่งท่านเรียกว่าพยาปาทะพยาบาทดิ้นไปเรื่องพยาบาทพยาบาทปองร้าย จิตถ้ามันไม่สงบแล้วนะมันดิ้นไปเรื่องความรักบ้างเรื่องความชังบ้างพยาบาทมันก็เกิดขึ้นมาจากความชังความขัดข้องความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความชังความรักกับความชังมันพาลาบไปมันพาจิตดิ้นไปดิ้นไปหาความรักมันไม่พอใจมันก็ชังดิ้นไปหาความชังกามฉันทะพยาบาทะมันไม่รักไม่ชังมันก็ งงเหงาเหาหนอนที่เรียกว่าอธีนะมิทะงงเหงาหาหนอนไม่งงเหงาเหาหนอนก็นึกคิดเพลินเตลดิดเปิดเปิงแบบเบรกไม่อยู่ห้ามลอ้อไม่อยู่ที่เรียกว่ากุทจักรกุฏจักรเห้ามลอ้อเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ฟ úng, ุ้งซ่านราคาญจนเป็นเหตุให้ราําคาญใจเอายังไงก็ไม่อยู่เอายังไงบังคับยังไงก็ไม่อยู่หาวิธี บ, บังคับจนอยู่จากนั้นแล้วก็ถ้า มันไม่อยากทำํำอยากลุกอยากเปลี่ยนอยากอะไรอะไรสรารพัดเพราะมันไม่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้รับความดูดดื่มเพราะฉะนั้นท่านท่านจึงว่าลังเลสงสัยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยการลังเลสงสัยนี้เราก็มาเจริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ เราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูธร้ธรรมธรรมะนี่เป็นสวากขาตธรรมเรากเราลึกถึงธรรมนเมื่อเราเจริญบทธรรมเสร็จแล้วยังไม่ได้ผลเ ร, เราลึกถึงเจ้าของผู้ค้นคว้าธรรมะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ธรรมและท่านตรัสสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริสุทธิ์ที่คุณนะหมดจดจากกิเลสโดยชิ้นเชิง เป็นผู้ถึงพระอมด้วยปัญญาที่คุณเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมสามารถแวกกรองข่ของเกลเลสออกมาได้นี่คือปัญญาที่คุณจากนั้นแล้วท่านมีมหากรุณาที่คุณเมตตาต่อสัตว์อยากขนอยากรือสัตว์ขนสัตว์นี่ไปให้พ้นจากโลกคือวัตตะสงสารเนี่ยโดยเหตุที่ะองรำพึงรำพันถึงคนที่จะไปโปรโดนะหลังจากได้บรรลุธรรม ท่านจะต้องเดินไปโปรดปัญจวัคคีอยู่คนละแควนเราคิดดูเดินไปทั้งสิ้นระยะทางทั้งหลายวันเพื่อไปโปรดคนที่เคยมีบุญคุณปัญจวัคคีคือมหากรุณาธิคุณของพระองค์จากนั้นแล้วทรงเล็งดูสัตว์โลกใ น, ใ, นในพุทธกิจจะมีตอนเช้าๆใกล้จะสว่างพระองค์ทรงเล็งดูสัตว์วโลกเห็นใครตก เข้าไปอยู่ในคลองในตาข่ายของพระองค์ไม่จะไปยากลําบากกันดานยังไงพระองค์ก็ต้องเสด็จไปไปโปรดเสด็จไปโปรดนะเสด็จไปโปรดอ๋อคนนี้มาเข้าคลองเข้าในโครงข่ายเข้าในตาข่ายในพระญานของพระองค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคือพระพุทธเจ้าท่านจะมองเห็นทะลุ ป, ปูปลงไปหมดแหละแต่เป็นกุงเทพท่านไปตรงไหนท่านไปถูกหมด ไม่ยัเป็นว่าตรงนั้นจะเคยไปตรงนั้นยังไม่เคยไปตรงนั้นรู้จักตรงนั้นไม่รู้จักเพียงแต่เล็งใส่เล็งพระญาณใส่พระองค์ก็ไปถูกได้หมดโอ้ยิ่งกว่าไอ้ GPS สมัยทุกวันเลยนี่ยคือปัญญาญาณของพระองค์ฟังแต่ว่าสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัพพยุตยานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเลลึก นึกรำพึงรำพันถึงคุณของพระองค์ก็ทําให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนพระองค์มันก็ทําให้เราเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสศรัทธามันก็มีกริจกระใจที่เราจะตั้งอกตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติทุกยากลําบากยังไองก็อุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอืนี่เราพูดถึงปัญหาต่างๆที่เป็นเรื่องของกิเลสมันชักไปมันลาบไปแต่อุ บ, บายวิธีการแก้ก็มีอยู่ทุกระยะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้ใจสงบเมื่อสงบก็คือมันสงบจากสิ่งเหล่านี้แหละถ้ามันไม่สงบมันก็ดึงไปหาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนเจืออันอริดอร่อยของเกลียดนี่ะมันชักไปมันดึงไปมันลากไปเราก็อารมณ์ธรรมมาแก้เอาอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมก็คืออารมณ์ให้มันนึกมันคิดเหมือนกันแต่ให้มันนึก นึกคิดเรื่องเดี่ยวพุโทโธพุโทโธรู้พร้อมกำกับอยู่นั่นแหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธในขณะนั้นก็ประคองประคับประคองไปมันมีปัญหามีแง่มุมไหนบ้างที่จะคอยแอบมาแทรกจิตของเราใ ห, จาใหา้จิตเราไปนู้นให้ไปดีจิตเราไปนี้เราก็ตา ม, มกำหนดจดจอดู ทำใเกิดความรู้สึกต่อพืชเป็นเส้นเดียวเหมือนสายใ่เส้นเดียวเ ห, เหมือนเชือกเส้นเดียวไม่ขาดทำสติทำสัมผัจัญทรของเราให้ต่อกันเป็นพืชถ้าเราจะเที่ยบก็บเหมือนเส้นถนนที่มันยาวพืชเส้นทึบยาวๆมันมันไม่ใช่เหมือนเส้นขาดนะเส้นขาดติดๆคาคาติดๆคาขาดมันไม่ใช่ถ้าเป็นติดๆขาดก็คือมันทําให้เกิดช่องพอเกิดช่องปั๊บ คำว่าเกิดช่องก็คือมันขาดสติเพราะขาดสติก็คือเกิดช่องเพราะเกิดช่องกิเลสก็แทกมาตรงช่องอแทรกมาแล้วดึงจิตไปแล้วไปใช้สอยตามที่มันเคยดึงไปตอนไหนที่มันเป็นตกช่องตกช่องมันก็แทะมาแล้วดึงไปแล้วเพราะกิเลสมันเป็นคู่แข่งขันกับธรรมเราต้องการให้สงบไอ้ความไม่สงบมก็ตามมานั่นแหละแม้แต่เราพิจารณาเพื่อทําลายความลุ่มหลองของตัวเรา ไปในตัวเราในกิเลสแต่ละแต่ละกองแต่ละกองแต่ละกองมันก็ตามแข่งขันมาตลอดมาเรื่อยๆกิเลสมันตามแข่งมาเพราะกิเลสก็เกิดที่ใจดวงนี้ธรรมะก็เกิดที่ใจดวงนี้ถ้าหากใจมันฉลาดใจมันฉลาดมันไวกับการต่อสู้กับกิเลสอเมื่อใจฉลาดมันไวต่อการต่อสู้กับกิเลสพอเวลามันเผลอปั๊บกิเลสมันก็ไหวเหมือนกัน เพรา ะ, ะกิเลสมันก็เกิดขึ้นที่ใจดวงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะตามต่อเนื่องมาเรื่อยๆเป็นคู่แข่งขันกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความอุตสาหพยายามนี่แหละทําใจให้ได้รับความสงบนั่ ง, ต, งตั้งใจนั่งภาวนานานๆกำหนดจิตทําสบายๆให้จิตให้จิตมันอยู่ให้จิตสงบเพราะว่าคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็เหมือนอาหารของใจเป็นอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ของธรรมเป็นอาห า, ารของใจ มันกับเราที่เราภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยก็ไม่ต่างอะไรกับเราบริโภคอาหารกลืนเข้าปากไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยาอัดเข้าไปเรื่อยไเรื่อยไเก็จะเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มอาหารที่เรารับทานเข้าไปจะเริ่มอิ่มพออิ่มแล้วก็หมดหิวไม่หิวอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเราอัดพุทโธเข้าไปที่ใจรับทานอาหารของใจที่เป็นพุทโธเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เอาสติบังคับเข้าไว้บังคับนั่นแหละบังคับให้มันกินอารมณ์นี่แหละอารมณ์ที่เป็นธรรมนี่มีแหละอารมณ์ที่เป็นธรรมไม่เป็นพิษเป็นภัยเลยอันนี้แหละเป็นคุณแท้ๆเอาใส่ให้มันเนี่ยในขณะที่ใส่เข้าไปมันก็เป็นการสํารอกกิเลสโดยอัตโนมัติกิเลสที่มันเคยแท่เข้ามาจิตที่มันเคยดื้อดึงอ่จิตที่มันเคยฝ่าฝืนที่มันเคยดื้อดึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงมันจะเริ่มลดพยศลงเริ่มลดลงเริ่มลดลง ปัญญาโดยธรรมก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจิตก็จะเริ่มอยู่อ่โดยเฉพาะอาหารที่อัดเข้าไปก็จะเริ่มอิ่มอิ่มจนไม่หิวจีอิ่มจนไม่หิวคำว่าไม่หิวก็คือหยุดกินหยุดกินไม่อิ่มหยุดบริโภคหยุดบริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธคือหยุดกินถึงหยุดกินเพราะอิ่มอิ่มไม่หิวคือไม่ไปจิตไม่หิวจิตไม่ไปจิตอยู่พอเราปล่อยมันก็อยู่ เพราะมันเริ่มอิ่มมันอิ่มมันก็อยู่ต้องทําให้ถึงที่มันถึงจะอิ่มเราทํายังไม่ถึงที่มันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่อยู่ในเมื่อมันไม่อยู่มันยังไม่อิ่มแต่เราไปปล่อยปล่อยสติปล่อยสัมผัสัญญะมันก็ไปแหละเราปล่อยไม่ได้ปล่อยมันก็ไปปล่อยปั๊บมันก็ไปไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นต้องปล่อยต้องตั้งใจปล่อยหรอกมันคอยจะหาช่องเผลออยู่แล้วว่าจะใหเราหยุดในสติเราขาดมันคอย่จะแทกเข้ามาอยู่แล้ว เราจะน้ำเราจะไปจะต้องไปปล่อย อ, อย่าปล่อยเอาจนมันอิ่มเองมันหยุดเองจนไม่มีคําบริกรรมจิตมันก็อยู่ขึ้นนั่ง อ, อิ่มอิ่มใจปีติคือความอิ่มใจในปีตินั้นคือความสงบมีความสงบในความสงบนั้นก็มีความสุขในความสุขนั้นมีความสงบมันเ อ, อิบ อ, อิ่มอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันสงบ นี่คือจิตมันเชื่องมันเชื่องมันอิ่มกับอารมณ์อันนั้นเมื่อเราทําไปแล้วเราได้รับความสงบเราก็พยายามจับหลักที่เราทำํำทําคราวนี้ทํำคราวนั้นทำคราวไห น, นะนๆก็พยายามจะทําให้ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นแล้วเวลาเขาได้รับความสงบมีความสงบเสร็จแล้วก็เอามาพิจารณาเมื่อถอนจากความสงบมาท่านก็ให้พิจารณาเพราะจิตเริ่มสงบจิตมีความสงบนั้นจะเป็นจิตที่ เชื่อมชินกับสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะทําให้เราคอยแต่ใจยังเข้าไปรู้หลักสักจธรรมทั่วๆไปที่มีอยู่รอบข้างตัวเราโดยที่ไม่ถูกกิเลสหลอกโดยท้ายเดียวธรรมะจะพผล่ขึ้นธรรมะจะโผลอขึ้ น, รระะนนะเพระจิตเริ่มสงบจิตเริ่มสงบพื้นเพลของจิตก็จะเริ่มมีความฉลาดของจิตก็เริ่มมีความแพร่พร้าความสว่างสวัยของตัวเองก็มีความผ่องใสของตัวเองก็มีความมืดมืดทึ บ, ทบ เหมือนอย่างแต่ก่อนเนี่ยมันก็หมดไปมันก็มันก็ค่อยๆค่อยๆหมดไปเหลือแต่ความสว่างความสว่างก็คือความรู้ข้างในมันสะดวกสบายมันคล่องแคล่วในตัวของตัวมันเองแล้วก็พิจารณาพิจารณาความหลงของกายนี่แหละความหลงในกายนี่แหละจิตมันหลงกายมันหลงกายมันถึงยึดกายท่านจึงให้พิจารณากาย เห็นอย่างมันหลงว่ากายนี่เป็นสุภาพเนี่ยทั้งให้พิจารณาเห็นเป็นอสุภะพิพจารณาเห็นว่าเป็นตายร่างกายนี่ตายตายแล้วเป่วยเน่าเป่ยวยพุพองนอนเจาะยัวเยียยุบยับน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลออกอจากทวารหนักจากทวารเบาท้องพองขึ้นแล้วแตกอะไรขนะนั้นก็นดูกำหนดดูไปดูอะไรทุกอย่างการกำหนดดูทั้งหมดนี้เป็น เป็นกำลังของสมาธิทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆจนเกิดความเจ๊มเนื้อเจ๊มงาญเป็นเหตุให้เราเป็นเหตุให้กิเลสมันหลอกหลอกเราไม่ได้มันเอาสัญญาคำว่าสุภาพมาหลอกเราไม่ได้เพราะเรามีสติดีกว่าปัญญาดีกว่าเราพยายามยั่งถึงหลักความจริงนี่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเข้าถึงหลักความจริงหลักความจริงอันนี้เราสามารถเข้าถึงได้ ด้วยดวยการตั้งใจฝึกฝนอบรมด้วยการตั้งใจปฏิบัตินะหลวงตาท่านสอนให้ทําให้สงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาเมื่อพิจารณาเนี่ยเหนื่อยแล้วก็สงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาให้ทําสับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้แหละอุบายวิธีอย่างอื่นก็ให้เราสังเกตสังกาเอาที่ตัวของตัวเราเองนี่คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความจริงไม่ให้ของปลอมมันหลอกกิเลนั่นแหละมันหลอกเราหลอกทุกวันทุกเวลาทุกนาที ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมกั น, นแล้วมันมีแต่หลอกกับหรอกหลอกดื้อมันด้านมันดิ้นมันรนเราดูแต่เรานั่งภาวนาใช้ไหมมันสงบมันดิ้นรนเราดูแค่นั้นอ่ะจับตัวนั้นเป็นหลักแค่นิดเดียวก็เอาเป็นเครื่องมาพิจารณาย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปนี่คือการตั้งใจการตั้งใจทํางานที่สาเหตุที่ต้นต่อเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลเหตุแห่งสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจนี้ เหตุแหงสุขทั้งมวลทุกดิบดีบทยืนเดินนั่งนอนก็คือธรรมเหตุให้ได้เราได้รับความทุกข์ทั้งมวลไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนก็คือกิเลสเอาธรรมกับกิเลสมาต่อสู้กันเราต่อสู้ได้ใช้ชนะได้รับความสงบก็เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความสุขจากดีใจจากเสียใจจากอะไรทอะไรจากสมหวังจากอะไรทอะไรซึ่งมันก็เป็นคนอบายลวงของกิเลสแต่ละอย่า ง, งแต่ละอย่างน่ย เพราะฉะ น, นั้นลาบเอวยดเอยสรเสริญเอยเกียรตเอยอะไระอะไรสรารพัดเนี่ยถ้าเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราทราบเราทราบโดยโดยธรรมชาติเข้ามันเองเพราะสิ่งต่างๆเหล่านะั้นมันเป็นเรื่องของโล ก, กธรรมเมืม่อจิตเราเละเอียดลึกเข้าไปมากกว่านั้นแล้วไอ้กาลังสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันเคยดึงดูดจิตของเราเนี่ยมันก็เบาลงเบาลงมันลงมันเห็นเป็นเรื่องธรรมดามันเห็นเป็นเรื่อง ไม่เที่ยงมันเห็นมันเห็นเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาไปบังคับบัญชาเป็นไปตามใจหวังไม่ได้สักอย่างในโลกนี้บังคับอะไรเป็นไปตามใจหวังสักอย่างไม่ได้ไม่ได้สักอย่างร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านให้ดูให้เห็นว่าแก่ดูให้เห็นดูว่าเจ็บให้ดูให้เห็นว่าตายตั้งแต่เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ นี่อันนี้มันเป็นการเดินเพื่อเข้าไปถึงเข้าไปสู่หลักธรรมชาติที่แท้จริงเพื่อเข้าไปถึงหลักสัจะธรรมนี่คือการภาวนาคือการศึกษาธรรมคือการปฏิบัติธรรมธรรมะนอกจากนั้นมันเป็นธรรมะภาพจริยธรรมพื้นๆทั่วๆไปพวกเราได้ยินได้ฟังกันมากกฟังแล้วก็ผ่านไปฟังฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็หายไปฟังแล้วก็ทิ้งไปฟังแล้วก็สักแต่ว่าฟังไป สิ่งที่เราฟังแล้วเราเอามาทำให้เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นเนื้อเป็นหนังกับชีวิต จ, จิตใจของเราจริงๆคือภาคปฏิบัติคือสมถะธรรมคือวิปัสสนาธรรมทางที่บรรยายมาเนี่แหละพอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้ววันนี้เด็กกอสมควร